วันนี้เป็นวันพุทธที่สองสิงหาคมพุทธศักราช2566เป็นวันเข้าพรรษาเป็นธรรมเนียมประเพณีที่พระภิกษุนักบวชในบรวรพุทธศาสนา อยู่จำพรรษาในที่ใดที่หนึ่งในวัดใดวัดหนึ่งในอารามใดอารามหนึ่งตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกันเนื่องจากว่าช่วงนี้คือตั้งแต่เดือนแปดวันเพ็ญเดือนแปดถึงวันเพ็ญเดือนสิบด เป็นช่วงฤ ด, ดูฝน<ม>ในสมัยพุทธกาลนี้พระภิกษุนี้เวลาท่านเดินทางไปไหนมาไหนท่านจะเดินด้วยเท้ามไม่มียานพาหนะไว้สำหรับให้เดินทางดังการเดินทางท่านท่านก็ต้องเดินรัดทุ่งรัดนา ในช่วงที่ไม่ใช่เป็นช่วงฤดูฝนก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไม่มีการเพาะ ป, ปลูกในช่วงฤดูฝนนี้ชาวนาชาวไร่จะทำการเพาะ ป, ปลูกพืชต่างๆแล้วถ้าพาพภิกษุเดินทางไปไหนมาไหน ก็มักจะเดินรัฐทุ่งรัตนาก็จะมักจะไปเหยียบไปทำลายพืชที่ชาวนาวชาวไร่ได้ปลูกเอาไว้ชาวนาวชาวไร่เกิดความเดือดร้อนก็เลยไปกราบทูนเฝ้าไปเล่าให้พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบว่ า, าพระภิกษุนี้ เดินไปเหยียบย่ำทำลายพืนที่ได้เพาะปลูกไว้หลังจากที่ได้ทรงทราบจึงเลยมีการมีพระคำสั่งให้พระภิกษุหยุดการไปมาหาสุหยุดการเดินทางในเชื่องฤดูฝนคือตั้งแต่วัน รมหนึ่งข้ามเดือนแปดคือวันนี้ไปจนถึงวันขึ้นสิบห้าข้าเดือนสิบ็ดให้อยู่กับที่ตลอดระยะเวลาสามเดือนไม่ให้เดินทางไปไหนมาไหนยกเว้นถ้ามีกิจจำเป็นจริงๆที่ทรงอนุญาตให้ไปได้ก็คือ ถ้าบิดามารดาปุยาตายายหรือครูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยจำเป็นที่จะต้องไปดูแลรักษาหรือถ้ามีการชำรุดชุดซอมชุดโซงของศาลาคุติที่จำเป็นจะต้องมีการซ่อมแซม จำเป็นที่จะต้องไปหาวัสดุมาซ่อมแซมกุฏิศาลาที่ชำรุดสุดทรง<ม>ก็ทรงอนุญาตให้ไปได้ครั้งลนะไม่เกินเจ็ดวันกับเจ็ดคืน<ม>หลังจากนั้นก็ต้องกลับมาอยู่จำพรรษาต่อถ้าไปเกินเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ถือว่าขาดผาดขาดพรรษาไม่ได้ ไม่ได้อยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนก็จะไม่ได้รับอนิสง์จากในการจำพรรษาเช่นการรับผ้ากระถินพระภิกษุที่จะรับผ้ากระถินได้นี้ยังเป็นที่จะต้องอยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลาหนึ่งพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกัน นี่คือที่มาของการจำพรรษาของพระภิกษุของพระพุทธศาสนาเช่นวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดยอยู่ประเทศไหนก็ตามเมื่อถึงวันแรมส1บเค่ำนี้จะต้องหยุดการเดินทางไปไหนมาไหนจนกว่าจะถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนส1บอดหรือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนส1บอ็ด เป็นวันออกพรรษาถึงจะสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ถ้ามีกิจจํิจำเป็นต้องไปก็ไปได้ไม่เกินเจวันกับเจดคืนและในช่วงเข้าพรรษานี้ก็จะมีกิจกรรมของญาติโยมที่จะทำอามิสบูชาให้กับ พระพุทธศาสนาคือการทำนุบำรุงพระภิกษุที่บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาด้วยการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเหตุของการถวายเทียนพรรษาก็คือในช่วงในสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องใช้เทียนกันในยามค่ำคืน และในช่วงเข้าพรรษานี้จะมีจำนวนของพระภิกษุเพิ่มมากขึ้นเพราะจะมีศรัทธาญาติโยมที่อยากจะบวชตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาก็จะเข้ามาบวชกันเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะได้มาศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จำเป็นจะต้องมีแสง สว่างในยามค่ำคืนไว้สักการสำหรับการเล่าเรียนหนังสือธรรมะและการไหว้พระสวนมนตปฏิบัติธรรมต่างๆในยามค่ำคืนเท mm hmm. ียนก็จำเป็นที่จะต้องมีมากขึ้นกว่าปกติ mm hmm. ก็เลยมีธรรมเนียมประเพณีให้นำเทียนเข้ามาถวายให้กับพระที่อยู่จำพรรษา สมัยนี้เราก็มีไฟฟ้าแล้ว<ม>การถวายเทียนก็เลยไม่ค่อยมีความจำเป็นมีความสําคัญเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวนี้วัดเกือบทุกวัดก็จะมีไฟฟ้าใช้<ม>แต่ถ้าเรายังอยากจะถวายเทียนหรือสิ่งที่ทำหน้าที่แทนเทียนเราก็ถวายได้เช่นหลอดไฟ หรือช่วยจ่ายค่าไฟฟ้ามีไฟฟ้าก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายค่าค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าไฟอันนี้ก็ถือว่าเป็นการถวายเทียนพรรษาแทนก็ได้มีวันก่อนมีญาติโยมถามว่าการถวายาแผงโซลาเซลล์เป็นการถวายแทนเทียน <c oughs> <c oughs> เทียนพรรษาได้หรือไม่ ก็น่าจะได้เนี่ยเพราะว่าก็เป็นการให้แสงสว่าง <c oughs> ในอีกรูปแบบหนึ่ง <c oughs> อันนี้คือธรรมเนียมประเพณี <c oughs> ที่ทำกันมายาวนานคือการถวายเทียนภรรษา <c oughs> แต่ถ้าสมัยนี้ <c oughs> เทียนไม่ค่อยได้ใช้กันแล้ว <c oughs> เพราะมีไฟฟ้า <c oughs> แต่ก็ต้องมีการเปลี่ยนหลอดไฟเวลาหลอดไฟขาดก็ต้องเปลี่ยนหลอดไฟแล้วก็ต้องมีการจ่ายค่าไฟฟ้าทางไฟฟ้าการไฟฟ้าไม่ <c oughs> ไม่ให้วัดใช้ไฟฟ้าฟรีก็เลยต้องมีการจ่ายค่าไฟฟ้า <c oughs> ถ้าสัตธยาญาณโยมอยากจะปรับการให้แสงสว่าง จากการถวายเทียนพรรษามาเป็นการถวายหลอดไฟหรือแผงโซลาเซลล์หรือช่ชวยจ่ายค่าน้ำค่าไฟบรยจากค่าน้ำค่าไฟก็ถือว่าได้ถวายเทียนพรรษาเช่นเดียวกันเป็นอมิสบูชาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการทำบุญทำทานต่อพระพุทธศาสนา <c oughs> อีกอย่างหนึง่งที่มีการปฏิบัติมาก็คือการถวายผ้าอาบน้ำฝนช่วงฤดูฝนนี้จะเป็นช่วงที่มีฝนชุกชุมสมัยก่อนพระภิกษุนี้เวลาท่านอาบน้ำ <c oughs> ท่านมักจะไปอาบน้ำที่บ่อที่ลำธารหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องไปตักน้ำมาใส่ถุงไว้ในห้องน้ำไว้เพื่ออาบ แต่ถ้าเกิดเวลามีฝนตกนี่เพื่อประหยัดเวลาการที่จะต้องไปขนน้ำ <c oughs> จากตุ่มจากลำทาน <c oughs> จากบ่อจากลำทานมาใส่ตุ่มในห้องน้ำท่านก็จะอาบน้ำฝนกัน <c oughs> เวลาฝนตกทีนี้สมัยก่อนนั้นพระภิกษุท่านมีผ้าใช้ไม่มากท่านจะใช้ผ้าเพียงสามผืน <c oughs> พ่อผ้าส่วนใหญ่นี้ต้องไปเก็บผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าชาที่เรียกว่าผ้าป่าคือผ้าห่อศพสมัยก่อนจะมีไม่มีธรรมเนียมการเผาหรือการฝังศพจะมีแต่การเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าชาให้เน่าเปื่อยด้วยการเอาผ้าไปหอ่อศพเอาไวพ้พอศพได้เน่าเปื่อยไปหมดแล้วผ้าเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไร ก็พระภิกษุสมัยนั้นก็จะไปเก็บผ้าเหล่านั้นมาซักมายอ้อมมาตัดมาเย็บให้เป็นผ้าจีวรผ้าไตจีวรผ้าสามผืนหนึ่งชุดผ้าไตจีวร น, นี้เป็นผ้าหนึ่งหนึ่งชุดก็คือผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนเป็นสามผืนด้วยกัน ท่านสมัยนั้นจะมีมีไม่มากเพราะว่าไม่มีธรรมเนียมการถวายผ้า ม, มีแต่การถวายอาหารบิณทบาตอย่างเดียวอนอกจากนั้นพ้าภิกษตุต้องหาเอาเองต้องไปหาผ้าที่มีการทิ้งไว้ตามป่าชา้าหรือตามกองขยะแล้วก็ <c oughs> เรื่องที่อยู่อาศัยก็อยู่กันไปตามมีตามเกิดอยู่ตามโคนไม้เอากิ่งไม้เอาใบาไม้มาทำเป็นเพิงหลบแดดหลบฝนหรืออยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถ้ำไม่มีการถวายอาสนะกุฏิที่อยู่อาศัยยารักษาโรค ก, ก็รักษาด้วยการดื่มยาดองน้าปัสสวะหรือน้ามูด ก็เป็นยาที่สามารถรักษาโรคสามัญได้เช่นมีอาการปวดท้องปวดศีรษะอะไรทำนองนี้ก็อาศัยยาดองน้ำมูดนี้มาดื่มได้นี่คือการกินอยู่ในสมัยพระพุทธการฉะนั้นผ้ามีน้อยในช่วงฤ ด, ดูฝนนี้เวลาฝนตกพระบางรูปก็ท่านก็อาจจะ ออกมาอาบน้ำฝนโดยไม่ได้นุ่งผ้าเปือยกายอาบน้ำฝนเพื่อผ้าจะไม่ได้เปียกทีนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นวันหนึ่งมีนางวิสาขาซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนพระพุทธศาสนามีศรัทธาอย่างแรงกับพระพุทธศาสนามีความปรารถนาที่อยากจะทำน้ำปานะน้ำดื่มเครื่องดื่ม ที่ดื่มได้ในยามวิการด้วหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเช่นน้ำผลไม้เป็นต้นน้ำผลไม้คันนค้นเธอก็เลยให้สาวใช้ไปที่วัดไปดูว่ามีพระมีจำนวนเท่าไหร่พอเธอไปถึงที่วัดก็พอดีฝนกำลังตกหนักพอเดินเข้าไปยังไม่เดินเข้าไปในวัดเห็น ไปที่ทางเข้าวัดก็เห็นมีพระภิกษุอาบน้ําฝนกันโดยไม่ได้นุ่งผ้าเธอเห็นภาพแล้วเธอก็ตกใจเธอก็เลยกลับมารายงานว่าตอนนี้ที่วัดไม่มีพระอยู่เลยมีแต่พวกชีกเปลยมายึดคลองวัดเสรยจแล้วกำลังอาบน้ําฝนกันอยู่เมื่อเธอได้ยินได้ฟังเธอก็เข้าใจ พระภิกษุนี้ท่านไม่มีผ้าอาบน้ำฝนกันก็เลยไปขอกาบทูลพระพุทธเจ้าขออนุญาตถวายผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระภิกษุในช่วงฤดูเข้าพรรษานี่ก็คือที่มาของธรรมเนียมการถวายผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระภิกษุซึ่งสมัยนี้ก็วัดวารามส่วนใหญ่ก็จะมีห้องน้ำห้องท่า การใช้ผ้าอั้ํน้ำฝนก็เลยไม่ค่อยมีความสำคัญมีความจำเป็นเหมือนกับสมัยพุทธกาลแต่ก็ยังเป็นธรรมเนียมที่นิยมเอามาทำอยู่เพราะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอามาใช้เป็นผ้าอ้มน้ำฝนก็สามารถเอามาใช้สำหรับเป็นผ้าสำรองหรือเป็นผ้าที่ใช้เวลาที่อยู่ในวัดทำงานทำการอะไร ไม่จาเป็นไม่ไม่มีความจำเป็นจะต้องใส่ผ้าไตจีวรครบสำรับก็มักจะมีผ้าเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนกับผ้าอาบน้ำฝนเอามาไว้ใช้ใส่เวลาที่ไม่ได้ทำภารกิจแบบที่จะต้องใส่ผ้าไตอันนี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่ก็ยังมีการถวายอยู่ทุกวันนี้ นี่คือธรรมเนียมของการอาบิสบูชาของชาวพุทธที่อยากจะได้บุญได้กุศลอยากจะสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตตามที่พระเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ในมงค ล, ล่ะสุว่าการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง และทรงจำแนกการบูชาไว้สองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าอามิสบูชาคือการบูชาด้วยวัตถุข้าวของต่างๆหรือเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ของใช้ไม้สอยที่จำเป็นต่อการํำลงชีพเช่นการใส่บาตรบินทบาตรถวายทานสังฆทาน ถวายผ้าป่าถวายผ้า อ, อ่ำน้ำฝนถวายเทียนจำพรรษาอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นการทำการอาบิสบูชาเป็นการบูชาพระพระสงค์องค์เจ้าที่มาบวชเพื่อมาศึกษาและมาปฏิบัติพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้บรรลุมรรคผลผนิพพาน ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วหลังจากที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็จะได้นําเอาความรู้ที่ได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งนักบวชและคารวะทุกกองเรียนผู้ที่มีความทุกข์และอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะได้มี ผู้ที่ได้บุดพ้นคือมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราเรียกว่าพระสุปฏิปันโนมาทําหน้าที่เผยแผ่ธรรมะหลังจากที่ท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติและได้บรรลุแล้วท่านก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาเอาความรู้ที่ได้ยินได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาได้ปฏิบัตินี้ มาเผยแผ่ให้กับผู้ที่สนใจต่อไป mm hmm. การที่พระภิกษุจะอยู่ในพระพุทธศาสนานี้ได้อย่างอย่างไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคในการศึกษาในการปฏิบัติ mm hmm. ก็ต้องมีการดูแลเรื่องปัจจัยสี่ให้พร้อมบริบูรณ์เช mm hmm. ่นมีการใส่บาตรอาหารบิณฑบาตมีการถวายผ้าจีวร มีการสร้างกุฏิที่อยู่อาศัยสร้างศาลาไว้สำหรับเป็นที่ทำกิจกรรมการขบฉันหรือการแสดงธรรมการฟังเทศฟังธรรมก็จะนิยมสร้างศาลากันแล้วก็เวลาภิกษุเจ็บไข้ได้ป่วยก็อุปธรรมปฐาดูแลให้ได้มีราบการดูแลรักษาให้หายจากโรคภายไข้เจ็บ ก็จะได้มาทําหน้าที่ของพระภิกษุคือมาลรําเรียนมาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุธรรมตามลําดับต่อไปแล้วก็จะได้มาเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ที่สนใจนี่ก็คือหน้าที่ของพุทธศาสนกชนผู้ผู้ครผู้เป็นผู้คลองเรือนคารวะผู้คลองเรือนที่ปรารถนาที่จะ ความมีความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนก็คือด้วยการทำอามิสบูชาแล้วก็ในช่วงเข้าพรรษานี้อาจจะอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นนอกจากทำอามิสบูชาแล้วก็อาจจะอยากจะทำการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชานี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นบูชาที่ ที่แท้จริงเป็นการบูชาที่ที่ดีที่สุดของการบูชาพระเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นคือผู้บูชาเราตถาคต mm hmm. ถ้าเราอยากจะบูชาพระพุทธเจ้า mm hmm. พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาการบู hmm. การปฏิบัติก็คือการเจริญธรรมะ บุญกุศลหรือบุญบารมีต่างๆเพราะบุญบารมีนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะยกระดับจิตใจของผู้ปฏิบัติให้เจริญขึ้นให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจเลยนี่ก็คือการปฏิบัติบูบชา ต้องบูชาด้วยการสร้างบุญบารมีต่างๆเช่นทานบารมีเมตตาบารมีศีลบารมีเนคข ม, มะบารมีอุเบกขาบารมีและปัญญาบารมีบารมีเหล่านี้จะช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นอยากมนุษย์ก็จะให้ขึ้นไปเป็นเทพ อยากเทพก็ให้ขึ้นไปเป็นโธมจากโธมก็ให้เป็นอริยบุคคลเป็นพระอาหารหันต์ไปพระนิพพา น, านไปได้ด้วยการสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆ แ, และก็สิ่งที่ผู้ที่ต้องการจะสร้างบุญบา ร, รมีเหล่างนี้ก็จําเป็นจะต้องมีการตั้งสัจจะอธิษฐานสัจจะก็เป็นบา ร, รมีอย่างหนึง่งอธิษฐานก็เป็นบา ร, รมีอีกอย่างหนึง่ง เป็นเครื่องมือที่เราจะมาใช้ในการสร้างบารมีต่างๆที่จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นจึงมีธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธเราในช่วงเข้าพรรษานี้จะมีการอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งเป้าการตั้งเป้าของการกระทาว่าเราจะกระทาอะไรบ้าง เรียกว่าอธิษฐานกำหนดเหมือนกับเป็นการกำหนดตาราง<อ>การกระทำของเราว่าเราจะทำอะไร<อ>เรียกว่าอธิษฐานไม่ใช่แปลว่าแปลว่าขอซึ่งเป็นคำคำมันเดียวกันแต่มีความหมายต่างกันสำหรับชาวพุทธเราทั่วไปถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนก็จะใช้คำว่าอธิษฐานว่าเป็นการขอ ที่เราอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้ธุรกิจของเราเจริญก้าวหน้า ร, รุ่งเรืองอยากจะให้ร่างกายเรามีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยบางทีเราก็ไปกราบพระแล้วเราก็ถวายดอกไม้จุดทูบเทียนถวายทานเอาเงินหยอดเข้าตู้แล้วเราก็อธิษฐานขอสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ อันนี้ไม่ใช่เป็นการธิษฐานเพื่อสร้างบารมีเพราะการอธิษฐานเพื่อสร้างบารมีนี้อธิษฐานเพื่อเพื่อสร้างเพื่อทำบารมีบุญกุศลหรือความเป็นมงคลการเจริญของจิตใจการหลุดพ้นจากความทุกข์ของจิตใจ น, นี้เกิดจากการกระทาไม่ได้เกิดจากการขอขอไม่ได้เช่นอธิษฐานขอให้เรา หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ขออย่างนี้ขอไม่ได้อธิษฐานแบบนี้จะไม่ได้ผลแต่ถ้าอธิษฐานว่าต่อไปนี้ตลอดระยะเวลาสามเดือนนี้จะสร้างบุญบารมีอย่างใดอย่าง ห, หนึ่งตามกําลังของเราที่เราจะพอจะทําได้เช่นจะขอสร้างทานบารมีทําบุญทําทานในรูปแบบใดในรูปแบบหนึ่งทุกวันหรือว่า อาทิตละหนึ่งครั้งในวันพระสุดแท้แต่กสุดแท้แต่กำลังของเราที่เราจะทำได้เราก็ตั้งเราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเช่นบางท่านก็บอกจะขอทำบุญใสายบา ท, ทั้งตลอดระยะเวลาทั้งพรรษาสามเดือนด้วยกันบางท่านก็อาจจะอธิษฐานรักษาศีลห้า ชอบดื่มโซลายาเมาติดการดื่มสซรายาเมาแต่ในช่วงภัรษานี้อยากจะลดละอาจจะไม่ได้รักษาสินห้าทั้งห้าข้ออาจจะเลือกข้อใดข้อหนึ่งก่อนก็ได้เช่นข้อโซลายาเมาต่อไปนี้ตลอดระยะเวลาสามเดือนนี้ยังงดการดื่มโซลาอันนี้คือการตั้งเป้าของการกระทา ถ้าเราไม่ตั้งเป้าเราก็ไม่มีอะไรผูกมัดใจเราเราก็ลุกอยากจะดื่มก็ดื่มไม่ไม่อยากจะดื่มก็ไม่ดื่มนั้นการสร้างบรารมีก็จะเป็นใบแบบล้มลุกคลุก ค, คานไม่ต่อเนื่องเหมือนกับการที่เรามีอธิษฐานมีสัจจะอธิษฐานนี่คือสิ่งที่เราต้องมีถ้าเราอยากจะสร้างบรารมีต่างๆ อยากจะเล้ยยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้จเจริญขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลง<ม>เราต้องสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆ<ม>และการที่เราจะสร้างบุญบา ร, รมีได้สำเร็จนั้น<ม>เราก็ต้องเริ่มต้นที่สัจจะอธิษฐาน<ม>อธิษฐานแล้วเราก็ต้องรักษาสัจจะสัจจะก็คือความไม่โกหกมไม่โกหกหลอกลวงตัวเราเอง สัญญากับตัวเราแล้วว่าเราจะใส่บาตรทุกวันเราจะงดเว้นการดื่มชโลลาตลอดระยะเวลาสามเดือนอันนี้เป็นเหมือนการอันนี้เป็นเหมือนกับการให้คํามั่นสัญญากับตัวเราเองเมื่อเราให้คำมั่นสัญญาแล้วเราก็ต้องรักษาสัญญารักษาสัจจะถ้าเราไม่มีสัจจะเราตั้งให้คํำมั่นสัญญาแล้วมันก็ล้มเหลว ล้มเหลวได้เมื่อมันล้มเหลวมันก็ไม่มีผลอะไรไม่มีผลดีขึ้นเช่นตั้งอธิษฐานว่าจะงดการดื่มโซดาแต่อพอตกเย็นมีเพื่อนฝูงมาชวนก็อดไม่ได้รักเพื่อนมากกว่ารักรักตัวเองก็เลยไปดื่มสซลากับเพื่อนเกงใจเพื่อนก็เลยไม่ไม่ได้รักษาสัจจะที่ได้ตั้งเอาไว้ว่าจะไม่ดื่มโซรายาเมาแต่ถ้ามีสัจจะแล้วนี่ ใครจะมาชวนนีก็จะไม่ไม่ไปเพราะว่ามีสัจจะมีความจริงใจต่อการตั้งอธิษฐานของเราตั้งตั้งเป้าในการกระทาของเราว่าเราจะไม่ดื่มชโลายาเมาแล้วในช่วงระยะ3สามเดือนนี้ก็บอกเพื่อนไปตรงๆว่านี่ตอนช่วงนี้เข้าพรรษาขอขอละเว้นการดื่มชโลายสามเดือนไว้ราให้ออกพรรษาก่อนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ อันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะบังคับให้เราต้องทำในสิ่งที่ดีที่งามได้เพราะสิ่งที่ดีที่งามนี้ทำยากเพราะมีอุปสรรคมีขบวนการต่อต้านผู้ตีต่อต้านก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือกิเลสตัณหาของเรานี่แหละกิเลสตัณหามันชอบทำบาปมันชอบดื่มสุรายาเมามันชอบประพฤติผิดประเพณีชอบโกหกหลอกลวง เวลาที่เรามาทำความดีนี้เรารู้จะรู้สึกว่ามันยากไม่เหมือนการทำบาปมันง่ายเพราะไม่มีผู้มาขัดขวางมีแต่ผู้สนับสนุนพอเราบอกจะดื่มสุรานี่กิเลสตัณหามันออกมาต้อนรับเราสนับสนุนเราเต็มที่เลยแต่พอเราบอกว่าเราจะไม่ดื่มสุรานี่โอยมันออกมาประท้วงถือป้ายเรียกสิทธิของกิเลสเห็นไหมสมัยนี้ เขาจะเปลี่ยนกฎหมายเช่นให้ขายเหล้าได้ทุกวันนปกติวันสําคัญเช่นวันพิสาขาวันมาคะวันอสสาหานี้วันเข้าพรรษานี้เขาจะละเว้นการดื่มสุรายางเราเมืองเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธกันเราก็อยากจะส่งเสริมอยากจะสนับสนุนให้ชาวพุทธเราได้สร้างบุญบรารมีกันก็เลยอ ก็เลยมีการออกกฎห้ามไม่ให้ขายสุรายามเมาในวันสำคัญเช่นวันพระ mm hmm. แต่พวกกิเลสตัณหานี่มันไม่ชอบมันก็จะออกมาประท้วง mm hmm. มาออกขาเสียงด้วยการบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ต้องไม่มีวันงดการขายสุราสามารถขายสุราได้ตลอด24ชั่วโมง mm hmm. ทุกวันทุกคืน mm hmm. และสามารถผลิตสุราดื่มเองได้ด้วยเ mm hmm. พื่อความสะดวก อันนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งนั้นเรื่องของการพาจิตใจลงต่าไม่ได้พาให้จิตใจขึ้นสูงได้เพราะผู้ที่ดื่มสุรายาเมาเมื่อเกิดอาการมึนเมาแล้วมักจะไปทำบาปกันมักจะไปะเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีก็จะพูดไม่ดีพูดด่าเขาด่าคนนั้นว่าคนนี้แล้วถ้าเกิดไปเจอคนที่อารมณ์ไม่ดีด้วยการเจอกันเข้าเดี๋ยวก็ต้องตีกันนะ ตีกันแล้วดีไม่ดีก็ถึงกับการฆ่าฟันกันขึ้นมานะนี่คือโทษของสุรายาเมาแต่ไม่คนคนที่ชอบดื่มสุรายาเมาเขาจะไม่มองเห็นโทษเขาจะมองเห็นแต่ประโยชน์คือดื่มแล้วสบายใจคลายความเครียดได้เครียดกับเรื่องนั่นเครียดกับเรื่องนี้พอเกิดอาการมึนเมาแล้วมันก็ลืมเรื่องของความเครียดต่างๆไปชั่วคร่อแต่ไม่ไม่มองถึงว่า เวลาเมาแล้วจะไปทำอะไรต่อบางคนก็ขับรถเวลาเมาขับรถเมาแล้วเป็นไงก็เกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้ที่ก็ไม่รู้อีหน่อยเนี่ยต้องมาเดือดร้อนมาเสียหายหรือมาถึงกับการเสียชีวิตได้การดื่มชุรานี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งในสังคมของพุทธชาวพุทธเราเพราะเราชาวพุทธมีปัญญา สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นคุณเป็นโทษแต่สําหรับสังคมนอกสังคมพุทธนี้เขาไม่ได้มีการใช้ปัญญาในทางที่ถูกที่ควรเขาใช้ปัญญาไปในทางกิเลสตัณหาสิ่งใดที่เขาชอบเขาเขาชอบทําเขาก็ว่าดีถึงแม้ว่าจะทําไปแล้วสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้เขาก็ไม่สนใจนี่คือ เรื่องของการทำความดีต่างๆนี่มันยากเพราะมีขบวนการต่อต้านกิเลสตัณหาไม่ชอบให้เราทำความดีกันกิเลสตัณหาไม่ชอบให้เราขึ้นสูงเพราะเราขึ้นสูงเท่าไหร่กิเลสตัณหาก็จะถูกทำลายไปมากขึ้นเท่านั้นกิเลสชอบดึงเราลงต่ำชอบให้เราอยู่ในอบายกันชอบให้เราอยู่แบบสัตว์เดรัจฉานกันสัตว์เดรัจฉานเขาอยู่อย่างไร เขาอยู่โดยไม่มีศีลพวกไม่มีศีลห้าในในหมู่สัตว์ในราชาหรือไม่มีสัจจะในหมู่โจรอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่เห็นความสําคัญของศีลเขาเห็นความสําคัญของผลประโยชน์ที่เขาจะพึงได้จากการกระทําบาปด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ไม่มองเห็นถึงผลที่จะมากระทบกับจิตใจของเขา เพราะเขาไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นผลที่จะเกิดขึ้นกับใจผู้กระทำบาปได้ว่าเวลากระทำบาปแล้วนี้ใจจะตกลงต่ำจากการเป็นมนุษย์ก็จะเริ่มเสื่อมไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเป็นเปรตเป็นอสูรละกายหรือไปเป็นนรกต่อไปเวลาร่างกายตายไปนี้ดวงวิญญาณนี้ถ้าทาบาปด้วยความหลงด้วยความ คิดว่าเป็นสิ่งจาเป็นเป็นการเลี้ยงชีพก็จะไปเป็นสัตว์เดร้ยฉานถ้าทําบาบด้วยความโลภ ก, ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยที่เรียกว่าเปรตถ้าทําบาบด้วยความกลัวก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวก็เรียกว่าสุรกายแล้วถ้าทาบาบด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเคียดแค้นก็จะเป็น ดวงวิญญาณก็จะเป็นนรกนรกก็คือไฟของความอาฆาตพยาบาทที่จะแผดเผาใจทําให้มีแต่ความทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลานี่คือผลที่เกิดจากการไม่สร้างศีลบารมีถ้าสร้างศีลบาลีก็คือเราก็ต้องรักษาศีลห้ากันถ้าเรารักษาศีลห้าได้ก็แสดงว่าเรากําลังจเจริญ ศีลบาลมีเรามีศีลถ้าเรามีศีลเราก็รักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้มนุษย์เีธรรมชาติของมนุษย์นี้จะเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนผู้นมนุษย์นี้จะเคารพสิทธิของกันและกันจะไม่ไปล้วไม่ไปรวนลาไม่ไปรังแกไม่ไปเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลกด้วยกันคือมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานด้วยจะมีความเมตตาต่อกัน น, นี่คือลักษณะคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์คือจะเป็นผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดและไม่ดื่มของมึนเมาต่างๆก็จะรักษาธรรมะคุณคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ไว้ได้ตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ ท, ทันทีแต่ถ้าได้สร้างทานบา ร, รมีด้วยแล้วก็สั่งศีลบา ร, รมีด้วยคือ เช่นอธิษฐานว่าจะทำบุญใส่บาตรทุกวันแล้วก็จะรักษาศีลห้าทุกวันตลอดระยะเวลาสามเดือนอันนี้ก็เรียกว่ากำลังสร้างทานบารมีกำลังสร้างศีลบารมีถ้ามีทั้งสองบารมีนี้จิตใจก็จะขึ้นสูงนะจากจากเป็นมนุษย์ก็จะไปเป็นเทพไปอยู่สวรรค์เวลาที่ร่างเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ดวงวิญญาณก็จะเป็นเทพจะอยู่บนสวรรค์เราอยากจะรู้ว่าสวรรค์เป็นยังไงหรือนรกเป็นยังไงก็ให้เราดูตอนที่เรานอนหลับตอนที่เรานอนหลับนี้เป็นเหมือนตอนที่เราตายชั่วคราวเวลาที่เรานอนหลับนี้เราไม่ได้ใช้ร่างกายทําอะไรเพราะร่างกายต้องการพักผ่อนไม่สามารถที่จะตอบสนองความอยากของเราให้ให้ให้พาเราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ตอนนั้ขณะที่เรานอนหลับแต่ใจเราไม่ได้หลับไปกับร่างกายใจเรายังมีความอยากแย ห, หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถะพระชนิดต่างๆใจเราก็เลยจะเอาเหตุการณ์ที่เราทำไว้ในขณะที่เราตื่นเอาเหตุการณ์เช่นการกระทาต่างๆการทำบุญและการทำบาปของเรา เ, เอามาุงแต่งเอามาสร้างเป็นเรื่องราวขึ้นมา ที่เราเรียกว่าสร้างความฝันขึ้นมาในขณะที่เรานอนหลับถ้าเราเอาเรื่องที่ดีเรื่องการทำบุญทากุศลนี้มาสร้างเราก็จะได้เรื่องที่ดีในขณะที่เราฝันคือเราจะฝันดีแต่ถ้าเรามีการกระทำบาปแล้วเราเอาเรื่องของการกระทำบาปนี้มาสร้างมันก็จะมีแต่เรื่องที่ไม่ดีให้เราได้ไ ด, ได้ได้ฝันกัน ดันั้นตอนที่เวลาที่เรานอนหลับนี้ใจเราก็เป็นผู้รับผลบุญผลบาตถ้าเราฝันดีก็สแสดงว่าเรามีเราทำบุญไว้มากกว่าทำบาตรกำลังของบุญก็เลยทำให้เราผลิตเรื่องที่ดีต่างๆให้เราได้สัมผัสรับรู้แต่เวลาถ้าเราฝันร้ายนี่ก็สแสดงว่าเราทำบาปมากกว่าทำบุญกําลังของบาปมันมีมากกว่ากาลังของบุญ บาปมันก็เลยผลักดันให้เราสร้างแต่เรื่องที่ไม่ดีให้เราเช่นอยู่ที่เราฝันร้ายเงี้ยฝันร้ายหรือฝันดีและขณะที่เราฝันนี่มันเราจะไม่รู้ว่าเราฝันเงี้ยเราเอามาคิดว่าเป็นเรื่องเหตุการณ์จริงๆจะมารู้ตัวอีกทีก็ต่อเมื่อเราตื่นขึ้นมานะอ๋อเมื่อกี้นี้เราฝันไปนะแต่ขณะที่เราฝันนี่เราคิดว่าเรากําลังอยู่ในเหตุการณ์จริงอันนี่คือหนังตัวอย่างของ ของผลบุญและของผาของผลบาปที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเวลาที่ร<อ>่างกายตายไปแล้วน<อ>ี้<อ>ใจไม่สามารถ อ, อราศัยร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ก็เลยต้องอาศัายบุญหรือบาปที่ทำไว้นี่แหละเป็นผู้ที่สร้างเรื่องราวต่างๆให้เสบต่อไปออนั้นถ้าเราทาบุญสร้างทานบา ร, รมีแล้วรักษาศีลบารมี ก็จะทำให้เรานี้มีแต่บุญอย่างเดียวมีแต่เรื่องดีๆต่างๆเป็นเป็นสิ่งที่ใจจะได้เอามาตงแต่งเอามาฝันเป็นเรื่องดีๆนี่แหละคือสวรรค์สวรรค์ก็คือความฝันที่เราเกิดขึ้นในขณะที่เราร่างกายเราตายไปใจเราก็ฝันสร้างนิมิตสร้างภาพต่างๆที่ดี เพราะเกิดจากการทำความดีของเรามีแต่เรื่องราวดีๆเป็นเป็นส่วนประกอบเป็นองค์ประกอบแต่ถ้าเราฝันร้ายเรามีแต่เรื่องที่ไม่ดีเพราะเราไปทำบาปม า, มากใจของเราก็จะมีมีแต่เรื่องไม่ดีเช่นมีแต่เรื่องหิวโหยถ้าเราโรคได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอมันก็จะฝันแต่ความหิวโหยถ้าเราทำบาปด้วยความหวาดกลัวก็่า ฆ่าคนนั้นค่าคนนี้ทำลายสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เวลาฝันก็จะฝันแต่เรื่องราวที่ไม่ดีแบบนี้ฝันว่าจะมีแต่คนจะมาคอยฆ่าเรามามาคอยทำลายแล้วทำร้ายเราบ้างเป็นต้นแล้วถ้าเราไปทำการอาฆาตพยาบาทร้างแค้นกันแล้วเราก็จะฝันแต่เรื่องที่เรามีการต่อสู้ฆ่าฟันกันในขณะที่เราไม่มีร่างกาย นี่แหละคือสวรรค์หรือนรกมันไม่ใช่เป็นสถานที่ใจของเรานี่แหละเป็นที่เกิดของสวรรค์และนรกใจเรานี่เป็นเหมือนเวทีละครที่มีผู้กำกับคือบุญและบาปเป็นผู้ที่จะมากำกับเรื่องราวที่จะแสดงบุญเวทีละครถ้าเราทำบุญมีผู้กำกับใจบุญผู้กำกับก็ยาวแต่เรื่องที่สุขที่สบายมาให้ดูให้ชม ถ้าเรามีพู้คกลับที่ใจโหดเหี้ยมทารุณชอบทําบาปทํากรรมก็จะเอาแต่เรื่อง เ, อเรื่องข้าฟันเรื่องอะไรต่างๆที่ไม่ดีมามาแสดงให้เราได้สัมผัสรับรู้นี่แหละคือคือสวรรค์และนรลกหลรืออบายที่จะเกิดขึ้นในเวลาที่เรานอนหลับก็ดีหรือในเวลาที่เราตายไปแล้วก็ดีเวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้วก็ดี แต่ใจเราไม่ได้เป็นร่างกายใจเราเป็นอีกเป็นอีกคนหนึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่มีวันตายเพราะมันไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายร่างกายนี้มีส่วนประกอบคือดินน้ำนมไฟที่จำเป็นจะต้องแยกตัวกันไม่ช้า ก, ก็เร็วพอดินน้ำนมไฟที่มารวมตัวเป็นร่างกายนี้แยกกันออกไปร่างกายนี้ก็หายไป แต่ใจนี้ไม่มีส่วนประกอบมีเป็นเป็นธาตุรู้โดดเดียวอันเดียวก็เลยไม่มีการแตกดับไม่มีการเกิดไม่มีการดับแต่มีการตั้งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นผู้ที่กระทำบุญหรือกระทำบาปผ่านทางร่างกายและเวลาร่างกายไม่มีร่างกายหรือเวลาร่างกายนอนหลับบุญและบาปนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะมาสร้างเหตุการณ์ต่างๆในรูปแบบของความฝัน ให้ได้สัมผัสรับรู้กนันนี่คือเรื่องจริงที่ บ, <ม>บาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงก็นี่แหละถ้าเราได้ลองปฏิบัติทำแล้วเราจะเข้าใจแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะจินตนาการที่ว่าสวรรค์อยู่บนท้องฟ้านู่นส่งจรวดขึ้นไปสำรวจแล้วก็ไม่เจอสวรรค์เลยเจอแต่ดวงดาวก็จะปฏิเสธว่าสวรรค์ไม่มีก็ได้ หรือถ้าคิดว่านารกอยู่ในดินต้องเจาะลงเข้าไปใต้พื้นดินเจาะไปก็เจอแต่น้ํามันเจอแต่น้ออําก็ปฏิเสธว่านารกไม่มีหรอกเป็นเรื่องงมงายนารกไม่มีสวรรค์ไม่มีเมื่อนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีทําบุญทําบาปก็ไม่มีผลยิ่นทําบุญไปทําไมเพราะทําบุญมันขาดทุนมีแต่เสียออทําบุญก็ต้องฟักกระเป๋าจ่ายซื้อข้าวซื้อของมาบอยจากให้ คนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนแต่ถ้าถ้าเราเอาเงินนี้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไม่ดีกว่าเลยเราจะได้รับประโยชน์ได้ความสุขทำงานหาทำงาหากินถ้าเป็นแทบตายก็เพื่อที่จะหาเงินมาเพื่อที่จะได้เอาเงินนี้มาสร้างความสุขให้กับเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ผู้ที่มองไม่เห็นบุญเห็นบาปไม่เห็นนรกสวรรค์ไม่เห็นดวงวิญญาณนี้ ก็จะปฏิสปฏเสธว่าไม่มีไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดตายไปก็จบพอร่างกายนี้จบแล้วใครจะเป็นผู้รับผลบุญผลบาปเพราะเขาไม่มีความสามารถที่จะมองเห็นดวงวิญญาณหรือดวงจิตได้ดวงวิญญาณดวงจิตจะเห็นได้นี่ต้องเกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาต้องนั่งนั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้วจะเห็นใจกับร่างกายนี้แยกกันเป็นสองส่วน ว่ากายเป็นอย่างหนึ่งร่างกายใจเป็นอีกอย่างหนึ่งใจเป็นผู้รู้ผู้คิดร่างกายเป็นเป็นวัตถุเป็นเหมือนโต๊ะเก้าอี้นี่เวลาใจสงบนิ่งร่างกายนี้จะเหมือนกับโต๊ะเก้าอี้เลยเป็นวัตถุเฉยๆนั่งอยู่เฉยๆแล้วใจผู้รู้ผู้คิดนี้ก็เป็นผู้ที่เป็นผู้รู้เวลาความคิดหายไปหมดก็ความคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราก็จะหายไปด้วยเวลาทำสมาธิ ตัวเราของเราหายไปชั่วคราวเวลาที่เราเข้าสมาธิจิตสงบจิตหยุดคิดปรุงแต่งเพราะคำว่าตัวเราของเรานี้มันก็มาจากความคิดปรุงแต่งของเรานี่เองเราคิดขึ้นมาเองคิดว่าน่างกายเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเหมือนกับคนสมัยโบราณที่ไปคิดว่าโลกนี้แบนเนมันเป็นความคิดมันไม่ใช่เป็นความจริงหลังจาก หลังจากที่มีคนฉลาดมามานั่งคิดก็สังเกตดูมองใบบนท้องฟ้าก็เห็นดวงดาวเห็นดวงจันท์เห็นดวงอาทิตย์มันกลมไปหมดทําไมโลกนี้มันแบนนั่นเดียวเขาก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้เขาก็คิดว่าโลกนี้ก็เป็นเหมือนดวงดวงดาวดวงจัน์ดวงอาทิตย์เขาก็เชื่อว่ามันกลมแล้วเขาก็พิสูจน์ได้ว่ามันกลมอันนี้ความคิดบางทีมันเราไปคิดแล้วก็หลงเชื่อความคิด S <S ถ้าเราเรียกว่าโมหะความหลงตอนที่ก็หลงว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเราเวลาไปข้อที่โรงพยาบาลแล้วเขาจับลูกคนอื่นมาให้เราจับผิดคนเนี่แล้วพอโตขึ้นนี้วทำไมหน้าตาไม่เหมือนเราเลยสมัยนี้เขาก็มีวิธีพิสูจน์ว่าเป็นลูกของเราหรือเปล่าไปตรวจดีในกันตรวจไปตรวจมาไม่ใช่ลูกของเราเนี่ยหว่าแต่ทำไงได้เราไปหลงรักมันแล้วไปหลงคิดว่ามันเป็นลูกของเราเข้าไปเสียแล้ว ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นลูกของเราก็ต้องก็ไม่ยอมให้มันถึงแม้เจ้าพ่อแม่ของของลูกคนแท้จริงจะมาขอเอาคืนไปเราก็ไม่ยอมให้คืนนะตอนนั้นพราะความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดจากความหลงของเราอันนี้พูดยกเป็นตัวอย่างว่าทําไมคนบางคนถึงไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องวินว่ายตายเกิดก็เพราะว่ามองไม่เห็นผู้ที่ผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาป ผู้ที่จะไปเป็นนรกไปเป็นสวรรค์ไม่เห็นว่าผู้ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดที่ว่าคือร่างกายร่างกายเป็นผู้ก tennis, ระทําร่างกายต้องเป็นผู้รับผลกระทําแต่ความจริงร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของผู้กระทําคือใจร่างกายไ ม, markets, ไม่ไม่มีผลไม่ไม่ต้องไปรับผลไม่ต้องไปเกิดเต้นไม่ต้องไปตกนรกไม City, оту, cools, art, ่ต้องไปสวรรค์ร่างกายไปที่เดียวก็คือไปป่าช้าไปที่เมง ไปเพื่อให้ทําการชาพนกิจแยกธาตุแยกธาตุทั้งสี่ให้ออกจากกาันให้เหลือแต่ธาตุดินเวลาเราเผาร่างกายนี้ธาตุน้ําในร่างกายก็จะระเหยไปหมดธาตุลมก็จะหมดไปธาตุไฟก็จะหมดไปเวลาเวลาไฟหยุดแล้ว<ม>ก็เหลือแต่ธาตุดินทขาขี่เท่าและเศษกระดูกนี่อันนี้พูดให้ฟังว่าทําไมคนบางคนจึงไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ ไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเพราะเขาไม่เคยเห็นใจเขาไม่รู้จักใจเขาไม่มีใครสั่งสอนเขาให้รู้ว่ามีใจแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีใจมีผู้ที่พิสูจน์มาแล้วเยอะแยะไปหมดตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระสาวกพะระลิยสงสาวกทั้งหลายท่านเหล่านี้ถ้าไม่เคยมาปฏิเสธมาบอกว่านารกไม่มีสวรรค์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มี บุญทำไปแล้วไม่มีผลบาปทำไปแล้วไม่มีผลท่านไม่เคยมีใครมาพูดแบบนี้เลยทุกคนพูดสอดคล้องกันไปหมดว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกเกิดจากการทำบาปสวรรค์เกิดจากการทำบุญการเวียนว่ายตายเกิดจากอำนาจของกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆอันนี้แหละถ้าเราจะเชื่อนีเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสาวกได้ เชื่อพระรัตนา่ายได้เชื่อพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เพราะว่าไม่มีใครที่จะมาคัดค้านคาคพูดพฤติคําสอนของท่านได้เลยคาสอนของท่านอยู่มาถึง 2,500 กว่าปีแล้วนั้นอย่าไปเชื่อคนที่เพิ่งมาเกิดวันนี้เลยเมื่อเกิดเมื่อวานซืนเด็กวานซืนแล้วก็มาบอกว่าไอ้นู่นไม่มีไอ้นี่ไม่มีไอ้นี่เหมือนกับคนตาบอดมาบอกคนตาดีว่า ไม่มีอะไรมีแต่ความมืดโลกนี้เพราะมันตามันบอดมันก็มองอะไรไม่เห็นแต่คนที่ตามไม่บอดเขาก็เห็นอะไรไปหมดว่ามีอะไรเยอะแยะไปหมดนี่พูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าทำไมบางคนไม่เห็นความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสนาเพราะถูกอำนาจของความหลีงครอบงำและอำนาจของความอยากความอยากนี้จะอยากให้เราทาในสิ่งที่ให้เรามีความสุขแบบเดียวเดียว เป็นการดื่มชโลายาเมาการทำบาปทกากรรมต่างๆเวลาที่เราโกรธเกลียดใครแล้วเราได้ทำร้ายเขาแล้วทำให้เรารู้สึกมีความสุขขึ้นมาแต่มันเป็นความสุขชื่วประเดียวประดาวแล้วหลังจากนั้นความทุกข์ก็จะตามมาเวลาเราไปทำร้ายใครแล้วนี้เราก็จะมาหวาดระแวงแว่าเขาจะมาตามล้งแค้นเราหรือเปล่าทำอะไรก็ต้องคอยระมัดระวังคอยหลบคอยหลีก อันนี้มีแต่ผลตามมาผลที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับจิตใจทำบาปก็จะสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจมากขึ้นดึงจิตใจให้ลงตา่าถ้าทำบุถ้ารักษาศีลไม่ทำบาปได้ก็จะรักษาป้องกันไม่ให้ใจลงต่าได้ให้ใจอยู่ในระดับที่เป็นอยู่ขณะ น, นี้ถ้าเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ถ้าเป็นเทพก็จะเป็นเทพไม่ลงต่ำ แล้วถ้าเราอยากจะขึ้นสูงจากมนุษย์เราก็ต้องทาสร้างทานบารมีทานบารมีนี้จะเป็นผู้ที่จะยกระดับใจของเราให้ขึ้นสูงจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทพแล้วถ้าเราอยากจะขึ้นสูงกว่า น, นั้นยิ่งสูงไปเท่าไหร่ความความสุขก็จะมีมากขึ้นความสุขใจจะมีมากขึ้นความทุกข์ใจก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไปถึงขั้นสูงสุดนี้จะมีความสุขเต็มที่จะความทุกข์ใจนี้จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจเลย บารมีต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนนี้เป็นเครื่องยกระดับจิตใจจากระดับเทพถ้าเราต้องการขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่าคือระดับพรหมนี้เราก็ต้องเจริญเนคข ม, มะบารมีกับอุเบกขาบารมีเนคข ม, มะบารมีแปลว่าอะไรก็คือการหยุดการหาความสุขทางกามอารมณ์นั่นเองการออกจากกามไม่หาความสุขจากรูกเสียงกลิ่นรสผลทพะ ไม่เศษกลางก็คือต้องมาถือศีลของนักบวชในขัมมะบารมีก็คือการถือศีลแปดขึ้นไปถ้าเราอยากจะเจเรนยนในขัมมะบาลมีบางท่านก็ไปบวชอยู่จำมันสาสามเดือนถ้าเป็นชายก็ไปบวชเป็นพระถ้าเป็นหญิงก็ไปบวชเป็นแม่ชีหรือเป็นอุบาสิกาก็ได้ล้วก็จะก็ถือถือศีลแปด การถือศีลแปดนี่เรียกว่าการเจริญ น, นมฆขมมะการออกจากการเสพการการเสพการนี่มันเป็นเป็นเป็นระดับความสุขของมนุษย์และเทวดาแต่ถ้าเราต้องการความสุขที่เหนือกว่าความสุขของมนุษย์และเทวดาคือความสุขของพรหมเราต้องหยุดเสพกามก่อนแล้วามาสร้างความสุขของพรหมก็คือการทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งเป็นอุเบกขา น, นี่คือบรารมีอีกสองข้อ ถ้าเราอยากจะกยกระดับใจของเราให้สูงขึ้นกว่าระดับที่เราที่เป็นเทพเราก็ต้องมาเจริญเนคขมภ์บารมีการระงับการเสพรูปเสียงกลิ่นรส ด, ด้วยการถือศีลแปดไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเพื่อระงับความความหิวแต่ไม่หาความสุขจากการรับประทานหรือการดื่มไม่หาความสุขจากการ มหรสลพบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการนอนมากเกินไปนอนบนเตียงใหญ่ๆฟุกเพียงสาํนานานฟุกนนั้หนาๆให้นอนบนเตียงที่มีพื้นแข็งๆจะได้นอนไม่มากจะได้เอาเวลาที่ไม่ได้นอนนี้ที่ไม่ได้ไปดูไปฟังมหรสลพบันเทิงไม่ได้ไปดื่มไปรับประทานนี้มาให้กับการเจริญเลขข่ห์ขมะบารมีเพื่อการมาฝึกสตินั่งสมาธินั่นเอง อันนี้คือการเจริญอุเบกขาบาลมีถ้าอยากใจะให้นิ่งสงบเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาวางเฉยได้นี้จาเป็นที่จะต้องเจริญสตินั่งสมาธิเราถึงจะได้อุเบกขาบารมีตามมาถ้าได้อุเบกขาแล้วใจก็จะเย็นใจจะสงบใจจะไม่มีความาหิวโหวยกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะ เพราะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการดื่มรับประทานอาหารตามที่ต้องการเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการไปดูมหรบันเทิงต่าง เล้ืกว่ความสุขที่ได้ของสวยๆเงางามมาประดับมามาประดับร่างกายเสื้อผ้าอาอรหรือเครื่องใช้ไม่สอยที่มีราคาแพงๆต่างๆความสุขเหล่านี้มันเทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้อันนี้ก็ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากเทธให้ขึ้นไปเป็นพรหมจะหาความสุขจากการเข้าสมาธิแทนจะรักษาศีลแปจะเป็นนักบวชไปเรื่อย แต่ความสุกระดับของพรหมนี้ก็ยังเป็นความสุขที่ยังไม่หลุดพ้นออกจากกองทุกข์อยู่เพราะว่าความสุขของพรหมที่เกิดจากการเจริญสติเจริญเนื้อขมมะและอุเบขาบารมีนี้มันเสื่อมได้เวลามันเสื่อมความสุขที่ได้จากความสงบก็จะหายไปถ้าอยากจะได้ความสุขความที่ได้เกิดจากความสงบแบบถาวรนี่ก็ต้องเจริญ บาลามีอีกขั้นหนึ่งก็เรียกว่าปัญญาบารมีปัญญาบารมีก็คือให้เราเห็นธรรมชาติความเป็นจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราว่ามันเป็นของชั่วคราวเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลพระนี้มันเป็นของชั่วคราวมันให้ความสุขเราได้แล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอมันหมดไปมันก็ปล่อยให้เรารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายดรู้สึกไม่มีความสุข เช่นเดียวกับความสุขที่เราได้จากการเจริญอุเบกขาบารมีเวลาเข้าสมาธิใจมีอุเบกขาใจก็เย็นสบายแต่ก็อยู่ในสมาธิไม่ได้ตลอดเวลาเวลาออกจากสมาธิมาความสงบนั้นก็จะค่อยๆหายไปความทุกข์อะไรต่างๆก็กลับคืนขึ้นมาได้ถ้าอยากจะให้ไม่ให้มีความทุกข์กลับคืนขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาเวลาใจออกจากสมาธิแล้วเห็น เห็นว่าเกิดความทุกข์ก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าเกิดจากอะไรก็จะเห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากเพออยากได้อะไรแล้วใจจะไม่สงบแล้วใจจะเริ่มกวนกวยใจจะเริ่มดิ้นหล่นนะถ้าอยากจะลุกจากที่นีตอนนี้มันจะนั่งไม่นั่งไม่สบายแล้วเพราะว่ามันเกิดความอยากขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีความอยากนี้จะลุกจะไปไหนก็นั่งได้สบายนี่นะ ความอยากนี้มันจะต้อเป็นตัวที่กระตุ้นความทุกข์ให้เกิดขึ้นหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเราอยากที่จะทำให้ความอยากนี้หายไปเพื่อที่เราจะได้ทำใจให้สงบเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิเราก็ต้องสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขอย่างที่เราคิดเวลาที่เราอยากได้อะไมากคิดคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้จะให้ความสุขกับเราแต่เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราว เป็นของชั่วคราวมันเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปไม่ช้าก็เร็วต้องมีการเปลี่ยนไปเวลามันเปลี่ยนไปเวลามันดับไปความสุขที่ได้จากมันก็หายไปพอความสุขหายไปความทุกข์มันก็เข้ามาแทนที่ทันทีนี่คือการเจริญปัญญาบาลานีบารามีขั้นสุดท้ายถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ลาบยศสรเสริญสุขนี้เป็นทุกข์ รูปเสียงกลิ่นลสนี้เป็นทุกข์สมาธิก็เป็นทุกข์ความสงบที่ได้จากสมาธิก็เป็นทุกข์เพราะมันเป็นของชั่วคราวต้องอย่าไปอยากอย่าไปติดให้อยู่แบบไม่มีความอยากดีกว่าทุกครั้งที่เกิดความอยากลรวตัดความอยากได้ใจจะนิ่งสงบอย่างแท้จริงอย่างถาวร น, นะนี่คือเรื่องของการยกระดับจิตใจสร้างความสุขให้มากขึ้น ลดความทุกข์ให้น้อยลงจน ก, กระทั่งไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ด้วยการมาสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆตามกำลังของเราเท่าที่เราจะสร้างได้ในช่วงเข้าพรรษานี้ยังมี ม, มีธรรมเนียมมีประเพณีของชาวพุทธเราที่จะมาตั้งสัจจะอธิษฐานกันว่าพรรษานี้จะทำจะสร้างบา ร, รมีอันไหนบ้างสร้างทานบา ร, รมีหรือสร้างศีลบา ร, รมี สร้างในขัมมะบาลมีสร้างอุเบกขาบารมีแล้วสร้างปัญญาบารมีอุเบกขาบาลมีก็คือการฝึกนั่งสมาธิปัญญาบารมีก็คือการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็การพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นอนัตตาถ้าเราจริญธรรมเหล่านี้บุญบารมีเหล่านี้ได้ด้วยความเพียรด้วยวิริยะบารมีและด้วยขันติบารมี เพราะการสร้างความดีนี้มันจะเจออุปสรรคมันจะทําให้เรานี้รู้สึกยากบางทีถ้าเราไม่มีความอดทนนี้จะสู้ไม่ได้เช่นจะอดข้าวเย็นนี่มันจะเกิดความอยากกินข้าวเย็นขึ้นมาเนี่ยพอเกิดความอยากกินข้าวเย็นนี้โอ้โมันแสนจะทรมานถ้าเราไม่มีความอดทนนี้บางทีเราต้องยกธงขาวยอมแพ้แต่ถ้าเรายอมอดท น, นมาไม่ตายหรอกอดแค่เมื่อเดียวมันจะตายให้มันรู้ไปสิพระพุทธเจ้าอดตั้งสีบเวันยังไม่ตายเลย พระภิกษุท่านบวชมาท่านฉันมือเดียวกันมาเยอะแยะไปหมดอยู่อายุยืนยาวนึงอัานถึงร้อยปีก็มีนะหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายท่านไม่ได้ตายเพราะการอดข้าวเย็นหรอกนะไอคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะมีขันติมีความอดทนที่จะสู้กับความหิวได้นี่คือสิ่งที่เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราในช่วงเข้าพรรษาเราจะมาทาการอามิสบูชาและปฏิบัติบูบชา ด้วยการตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามกำลังของเราถ้าเราไม่ตั้งสัจจะอธิษฐานเราก็จะโลเลวันไหนอยากจะทำก็ทำวันไหนไม่อยากจะทำก็ไม่ทำดันั้นการพัฒนาก็จะล้มก็จะล้มลุกคุกขานไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเรามีอธิษฐานสัจจะอธิษฐานแล้วก็มีการกระทำที่ต่อเนื่องเมื่อมีการกระทำที่ต่อเนื่องการพัฒนาก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เราก็จะทำไปแล้วมันจะติดเป็นนิสัยมันจะทำให้เราอยากจะตั้งสัจจะตั้งสัจจะอธิษฐานมากขึ้นสร้างบารมีให้มากขึ้นให้สูงขึ้นจนในที่สุดเราก็จะสามารถสร้างบารมีทั้ ง, งหมดให้ครบถ้วนได้และสามารถยกระดับจิตใจของเราให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามีสัจจะอธิษฐานในช่วงเข้าพรรานี้ ก็หวังว่าท่านก็คงจะสร้างบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าปล่อยให้เวลาอันสำคัญนี้ผ่านไปโดยไม่ได้ทำบุญสร้างกุศลเพราะเวลานี้มันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆให้อย่าประมาทนี่ก็คือเรื่องราวของการเข้าพรรษาเอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาอยาขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาลยวาหะปุราภิลิปุเรติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปการปติเอจีต an ังปะทีตังตุมห um ังคิปเมวะสังมิจจโตสพเภปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ อาระโสยัตถะสัพพิติโยวิวาชนตุสัพปรุโควินาศตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสิลิสะนิจจวุธาปจายโนจตารโหธรรมาวทานติอายุวโนสุขัง ภาลาังช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามถ้าอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่ได้เข้ามาถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนาคุดจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ578ท่าน YouTube พระสุชาติ Live 316 YouTube ด v c h ช n n e l 83วิทยุออนไลน์9 c ร u b House 9นาคุด158รวมทั้งหมด 1,153 ท่านค่ ะ, ะมีคำถามก็เชิญถามได้คําำถามจากผู้รับฟังนาคุตค่ะ สามีชอบไปปฏิบัติธรรมอยู่บ้านนั่งสมาธิตลอดเราไม่เคยขาดแต่มีบางครั้งโกรธว่าทำไมสามีไม่ช่วยดูเลี้ยงลูกบ้างอย่างนี้เราบาปไหมคะและสามีบาปไหมคะไม่บาปแต่ไม่ได้บุญสามีเขาได้ได้บุญเพราะเขาไปไปปฏิบัติแต่เราไม่อนุโมทนาเราก็เลยไม่ได้บุญถ้าเราอยากจะได้บุญก็อนุโมทนาอยอมยอมรับหน้าที่เลี้ยงลูกไปคนเดียว ให้เพื่ให้สามีจะได้เจริญทางด้านจิตใจแล้ววันหนึ่งเขาอาจจะมาช่วยเราต่อไปสามีขอไปบวชอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าสามีไม่ทําหน้าที่พ่อผิดต่อลูกไหมคะสามีเห็นแก่ตัวที่อยากเข้าถึงนิพพานคนเดียวทิ้งเรากับลูกไว้ให้เป็นทุกข์ไหมคะก็อย่าไปคิดว่าเขาทิ้งเด็กมันอาจจะไปเป็นการไปศึกษา ต่อปริญญาอีกปริญญาโทเดี๋ยวเขาเรียนจบเขาก็กลับมาช่วยเหลือเราต่อไปพระพุทธเจ้าก็ไปศึกษาอยู่6ปีด้วยกันไปปฏิบัติอยู่6ปีหลังจากท่าเรียนจบแล้วท่านก็กลับมาช่วยช่วยพ่อช่วยแม่ให้ไปนิพพานกันต่อไปคำถามจากทาง y o u t u ด็อตอรวีค่ะลูกขอโอกาสจากหลวงพ่อครับการที่ลูกตั้งใจในการนั่งสมา ทีทุกคืนจะพิจารณาท่านั่งเสมือนตัวเป็นดั่งเสาเข็มที่ปักลงพื้นดินให้ตรงให้แน่นๆทุกทุกเวทนาก็หายไปกรณีเช่นนี้ถือว่าลูกใช้สติหรือไม่สาธุครับคือมันไม่ละเอียดพอที่จะจะตอบได้ว่าเป็นอะไรถ้ามันหายก็รู้ว่ามันหายก็แล้วกันถ้ามันไม่หายก็รู้ว่ามันไม่หายปัญหาไม่ได้อยู่ที่หายหรือไม่หายอยู่ที่ใจเราสงบหรือไม่สงบ ถ้าใจเรสงบก็ใช้ได้มันจะหายไม่หายก็ไม่เป็นปหาอะไรคำถามจากทาง YouTube ดรค่ะสำหรับรูปเวลานั่งสมาธิใช้จิต จ, จดจ่อตรงที่หัวนิ้วโป้งที่มือประสานจึงจะนิง่งอันนี้ใช้ได้ใช้ได้ไหมเจ้าคะใช้หัวนิ้วโป้งแทนพุโทโธเหรอแล้วใช้ลมหายใจเลยค่ะคือใจจดจ่อตรงที่หัวนิ้วโป้งแทนนะคะ ก็ถ้าถ้าสงบก็ใช้ได้ดนะูที่ผลนะก็ดูที่ผลนะทำแล้วใจสงบหรือไม่คําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะพ่อแม่ที่ให้เงินและทรัพย์สินกับลูกถือว่าเป็นกา ร, การให้ทานการสละทรัพย์หรือเปล่าครับได้บุญเหมือนการบริจาคทานทั่วๆไปไหมครับได้น้อยกว่าถ้าเราบริจาคให้คนอื่นที่เราไม่รู้จักนี่จะได้บุญมากกว่าเพราะเป็นการเสียสละมากกว่า เพราะการให้ลูกเราบางทีก็เหมือนกับให้ตัวเรานี่แหละเพราะลูกก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเอามาจากท้องเราเพราะการให้ลูกเลี้ยงดูลูกนี้มันยังมีอัตราตัวตัวอยู่เรียงด้วยความเพราะเขาเป็นเราเป็นของเราอยู่แต่ถ้าเราทาบุญกับคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้จะเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่กว่าค่ะคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ รูปไม่สามารถนั่งสมาธิโดยการทําอาณาปนาสติหรือบริกรรมพุทธโธได้ได้เลยแต่จิตจะสงม บ, มบก็ต่อเมื่อนั่งสมาธิพร้อมกับฟังธรรมค่ะแบบนี้ทําได้ไหมคะได้แสดงว่าจิตเรายังไม่มีกําลังพอที่จะอยู่กับลมหรืออยู่กับพุทธโธเราก็อาศัยการฟังธรรมสร้างกําลังขึ้นมาก่อนหลังจากที่ฟังธรรมเสร็จแล้วควรจะนั่งต่อควรจะลองดูลมต่อหรือพุทธโธต่อดู คำถามจากทาง Yuu t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะกลับขอคำแนะนำพระอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการบังคับตนเองไม่ให้ส่งจิตออกนอกให้ได้ผลที่สุดครับก็ใช้กรวิริกรรมพุโทโธพยายามท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดพอใจคิดมันก็จะออกไปข้างนอกทันทีคำถามจากทาง Yuu t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะ การฝึกนั่งสมาธิสามารถนั่งขัดสมาะบนเก้าอี้โดยพิงหลังได้ไหมครับคือถ้าพิงหลังมันจะสบายแล้วมันอาจจะทําให้หลับง่ายคนจะนั่งแบบไม่มีอะไรพริงหลังดูพระพุทธรูปไม่มีอะไรพริงหลังนั่งแบบพระพุทธรูปดีที่สุดเพราะจะได้มีสติมากขึ้นถ้าถ้าอยู่ในท่าสบายแล้วมันจะหลับง่ายครับ และการฝึกภาวนาพุทโธโดยพยายามปล่อยใจให้สบายหากรู้ตัวว่าคิดก็จะดึงจิตมาดูลมหายใจจับพุโทโธต่อแบบนี้ถูกไหมครับไม่ควรหยุดนะควรจะดูลมพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ควรหยุดจนกว่าจิตจะหยุดคิดหยุดมันนิ่งเฉยๆไม่คิดอะไรต่อไปแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ลมใช้พุโทโธก็ไนดะ้ ถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะจิตใจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกไปตามผัสสะต่างๆต้องทําสมาธิระดับไหนถึงจะพ้นทุกระวังด้วยปัญญาอย่างแท้จริงเจ้าคะก็ต้องระดับรูปฌาน4ี่ได้อุเบกขาจิตใจก็จะเฉยกับสุขทุกขได้แล้วถ้าใช้ปัญญาก็จะไม่ทุกข์กับมันเลยเพราะยอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องดับ มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นธรรมดาไม่ไม่มีความอยากให้มันไม่เปลี่ยนไม่มีความอยากให้มันไม่ดับมันจะเปลี่ยนก็ไปมันเปลี่ยนไปมันจะดับก็ไปมัน ด, ดับไปอันนี้เป็นปัญญาแล้วถ้ามีปัญญาแล้วใจจะไม่ทุกขกับการเกิดดับของทุกสิ่งทุกอย่างคำถามจากทาง Youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าเราตั้งสัจจะว่าเราจะปฏิบัติกรรมฐานในช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้เราจะได้บุญไหมครับ ก็ต้องปฏิบัติให้ ไ, ได้ผลถึงจะได้บุญถ้ายังไม่ได้ผลก็ยังไม่ได้บุญเหมือนกับปลูกต้นไม้ตอนปลูกต้นไม้นี้ก็ไม่ได้หมายคขาว่าจะได้ได้ผลทันทีก็ต้องปลูกต้นไม้แล้วก็หมันคอยเลี้ยงดูต้นไม้รดน้ำพรวนดินไปเรื่อยๆเปนกว่าวันหนึ่งต้นไม้โตขึ้นแล้วออกดอกออกผลในการปฏิบัติธรรมก็เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าเราไม่เริ่มปลูกมันก็จะไม่มีต้นไม้มาออกดอกออกผลให้เรา แต่ตอนที่เราปลูกใหม่ๆนี้มันยังไม่ได้ออกดอกออกผลก็ต้องใจยเยน็ยนๆพยายามทาไปเรื่อยๆถ้าอยากจะได้ผลเรวก็ต้องไปซื้อพวกฟาสฟู้ดเองสั่งปุ๊บได้ปับ๊บก็ทาทางเนี่ยถ้าทำทานนีได้ปั๊บเลยพอถวายทานเสร็จก็ได้ผลทันทีได้บุญทันทีแต่เป็นบุญที่น้อยกว่าที่ต่ำกว่าบุญที่จะได้จากการปฏิบัติธรรมบุญที่จะได้จากการปฏิบัติธรรมมันยาก แต่ผลมันมันมากกว่ามันมีกุศลมากกว่ามีความสุขมากกว่าอย้ก็ต้องก็ต้องทำไปตามกำลังของเราแล้วต้องใจเย็นๆทำไปเรื่อยๆถ้ายังไม่ได้ผลจากการปฏิบัติก็อาศัยผลจากการทำทานไปก่อนอย่าทิ้งการทำบุญทำทานอย่างน้อยเราก็ได้ได้มีบุญไว้หล่อเลี้ยงจิตใจเราให้จิตใจเราอยู่ในระดับเทพ ถ้าเรายังไม่ได้ระดับอริยะผลอริยมากก็อาศัยการทำบุญทำทานไปเรื่อยๆก่อนควบคู่กับการปฏิบัติด้วยคำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะ วิธีการนั่งสมาธิโดยมีสติสังเกตเวทนาตั้งแต่บริเวณกระหม่อมไล่ลงไปถึงปลายเท้าขึ้นขึ้ น, นลงลงโดยวางอุเบกขากับสุขเวทนาและทุกขเวทนามีสติฝึกใจให้เห็นกฎไตรลักษณ์ผ่านการสังเกตเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายตามความเป็นจริงวิธีการเจริญวิปัชนานี้ทำควบคู่กับการรักษาศีลจเจริญสติทำอาาปานาสติสามารถทำให้บรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลได้ ไม่ได้หรอกเพราะมันทําแบบมวยมวยวัดมันไม่ได้มันทำเป็นขั้นเป็นตอนมันทําปนกันไปหมดเหมือนจับฉ่ยมันต้องแยกทำเป็นเทละเรื่องสติก็ต้องทําแต่สติวิปัสสนาก็ต้องแยกเป็นวิปัสสนาไปอันนี้เอาทั้งสติเอาทั้งวิปัสสนาเอาทั้งสมาธิมาปนกันมาหมดมันก็เลยได้เทพไปหมดกลายเป็นเปี้ยวหวานไปเป็นแกงเปี้ยวหวาน <c oughs> ค่ะคำถามจากทาง YouTube ค่ะจำเป็นต้องทำสมาธิได้ปฐมฌานก่อนเจริญวิปัสสนาหรือไม่ครับต้องได้ฌานสี่ไม่ใช่ปฐมฌานได้แล้วต้องต้องสามารถเข้าออกได้จนชำนาญก่อนแล้วค่อยไปทางวิปัสสนาต่อไป คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะวันก่อนฟังพระอาจารย์เทศฝนตกแต่ไม่ได้ยินเสียงฝนได้ยินแต่เสียงพระอาจารย์แบบนี้เรียกว่าอารมณ์เอกขาตาไหมครับไม่ไม่มันดีมั้งไม่ไมันตัดเสียงฝนออกไปเลยนะเสียง <laughs> คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ รักษาศีลแปหนุนหมอนได้หรือไม่เจ้าคะคําว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหมายถึงถ้าเริ่มตั้งใจรักษาศีลแปดวันนี้เจ็ดโมงเช้าต้องถึงพรุ่งนี้เจ็ดโมงใช่หรือไม่เจ้าคะโือปกติวันทางพุทธศาสนาเริ่มต้นตอนสว่างพอสว่างพอเห็นต้นไม้ใบหญ้าอะไชัดเจนก็เรียกว่าวันใหม่แล้วก็ก็ต้องรอวันใหม่ของวันพรุ่งนี้ถึงจะครบหนึ่งวันกันหนึ่งคืน เราไม่ได้ใช้เวลาสากลที่วันใหม่เริ่มต้นที่หลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเราใช้ใช้เวลาของดวงอาทิตย์แสงสว่างของดวงอาทิตย์เป็นการกำหนดวันใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าเราจะอธิษฐานตามใช้นาฬิกาก็ได้ว่าจะหนึ่งวันหนึ่งคืนตั้งแต่กี่โมงไปถ้าเราเริ่มที่เจ็ดโมงเช้าก็กลับมา ให้มันครบเจ็ดโมงเช้ามันก็ได้หนึ่งวันหนึ่งคืนหรือถ้าจะนับตั้งแต่เที่ยงวันไปก็ห้างนกลับมาเที่ยงวันของวันทุ่งนี้มันก็จะครบหนึ่งวันหนึ่งคืนยี่บสี่ชั่วโมงูุยง่ายคำถามจากทางยู u b e ค่ะหากไม่มีสมาธิไม่ได้แม้กระทั่งปฐมฌานแล้วเจริญวิัสสนาจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเนืใจยังไม่สงบ หรือเกิดความกลัวก็ได้ถ้าไพิจารณาของที่น่ากลัวขึ้นมาเห็นแต่ถ้ามีสมาธิแล้วใจจะเฉยเห็นของที่น่ากลัวก็เฉยไม่หวาดกลัวตามเห็นของที่น่าขยะกขยงก็ไม่ขยะกขยงตามเห็นต้องอาศัยใจที่แข็งถึงจะ ว, วิปัสสนาได้เพราะวิปัสสนาที่ที่มันยากก็คือของที่เราไม่ชอบเช่นความเจ็บความตายที่เราจะต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นธรรมดา เป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราไม่สามารถไปยับยั้งไปควบคุมบังคับมันได้เราต้องหัดอยู่กับมันให้ได้อยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยให้ได้อยู่กับความตายให้ได้ยังไม่มีคําถามค่นะไม่มีเลยก็พอแล้วนะนีนก็สมควรแก่เวลาครับขออีกคําถามขอขอให้ท่า น, นจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเถิด